สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิยาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในยุคพระเยซูตอนที่สองร้อยหกสิบสองคำอธิษฐานของพระเยซูรครั้งที่สามสิบเจ็ดโปรดประทานอาหารประจําวันกับข้าพงษ์ทั้งหลายในการวันนี้พี่น้องครับเราต้องขอบพระคุณพระเจ้าเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคและปัจจัยอื่นๆที่เรามีอยู่อย่างพอเพียงนั้นล้วนมีที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่นําฝนมาช่วยให้สรรพสิ่งเจริญเติบโตพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงฤดูกาลพระเจ้าทรงเป็นผู้ผลิตแร่ธาตุในดินเพื่อทําให้แผ่นดินอุดมสมบูรณ์พระเจ้าทรงเป็นผู้จัดเตรียมฝูงสัตว์ เพื่อเราทั้งหลายจะได้นำมาใช้กินเป็นอาหารทำเครื่องนุ่งหม่มพระเจ้าประทานน้ามันปิโตเรเลียมที่จะให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะมากมายพี่น้องครับเราใช้ทรัพยากรของพระเจ้าที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาที่อยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นอากาศเป็นน้ำเป็นแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในดินถามว่าเราเสียภาษี ให้พระเจ้าหรือเปล่าครับแท้จริงแล้วพระเจ้าให้เราฟรีแต่สิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเราก็คือความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าพี่น้องครับถ้าเรามาดูนะครับขณะที่เราอธิษฐานว่าขอทรงโปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพ้งหลายในการวันนี้เราเห็นนะครับในพระธรรมปฐมกาลบทที่หนึ่งเราพบว่าเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์สร้างพืช สร้างโลกนี้สร้างสัตว์ต่างๆพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดเราจะให้พืชที่มีเมล็ดทั้งหมดซึ่งมีอยู่ทั่วพื้นแผ่นดินและต้นไม้ทุกชนิดที่มีผลในเมล็ดของมันเป็นอาหารของเจ้าฝ่ายสัตว์ทั้งหลายบนแผ่นดินนกทั้งปวงในอากาศและบรรดาสัตว์เลื้อยคลานบนแผ่นดินทุกสิ่งทุกอย่างที่มีลมปราณนั้นเราให้พืชเขียวสดทั้งปวงเป็นอาหาร พี่นครับตรงนี้เราจะเห็นนะครับว่าพระเจ้าได้ทรงประทานอาหารและกําหนดอาหารให้กับมนุษย์ทุกๆคนอาหารแรกที่พระเจ้าได้ให้กับอาดัมนั้นเป็นอาหารที่มีคุณภาพดีที่สุดดีที่สุดในโลกครับก็คือพืชพืชที่มีเมล็ดซึ่งมีอยู่ทั่วพื้นแผ่นดินต้นไม้ทุกชนิดที่มีเมล็ดในผลของมัน นี่ครับเป็นอาหารอย่างแรกพูดง่ายๆก็คือว่าอาหารอย่างแรกที่พระเจ้าประทานให้มนุษย์ดีที่สุดก็คือผลไม้และพวกพืชพันธุ์ถั่วครับผลไม้และถั่วนะครับตลอดจนธัญญาหารต่างๆก็คือข้าวนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้กับมนุษย์ทุกคนเมื่อพระเจ้าเริ่มสร้างโลกและให้กับพงพันธุลูกหลานของมนุษย์ สัตว์นะครับสัตว์นกสัตว์เลือ้อยคานพระเจ้าให้พืชเขียวสดเป็นอาหารเห็นไหมครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ให้กับมนุษย์ทุกวันนี้เราทั้งหลายควรจะต้องกลับไปกินของเริ่มแรกที่พระเจ้าสร้างขึ้นเพราะเป็นอาหารที่ดีที่สุดครับต่อมาเมื่อมนุษย์ทําบาปพระเจ้าก็ได้ให้ มนุษย์นั้นกินอาหารของสัตว์ก็คือกินพืชเขียวสดให้กับมนุษย์และเมื่อมนุษย์ตกตามไปอีกนะครับในสมัยของยุคหลังโนอาน้ำท่วมพระเจ้าก็ยกสัตว์ที่มีชีวิตให้เป็นอาหารของมนุษย์เพียงครับนี่คือวิวัฒนาการหรือพัฒนาการของอาหารมนุษย์นะครับพระเจ้าก็เริ่มกำหนดให้มนุษย์ ไม่กินสิ่งนู้นสิ่งนี้ซึ่งเป็นของมนทินในสมัยต่อๆมาในยุค ข, ของโมเสสเพื่อนคับเรื่องของอาหารในพระคัมภีร์นั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับและจะทำให้พี่น้องจะมีโชขภาพที่ดีเช่นเดียวกันครับแต่ก็เป็นหัวเรื่องใหญ่อีหัวเรื่องหนึ่งครับถ้าผมมีโอกาสจะได้นำมาแบ่งปันให้กับพี่น้องเช่นเดียวกันเพี่องครับถ้าหากว่าเราคิดกลับไปนะครับ พระเจ้าสามารถที่จะออกแบบให้เราเรากินกินดินกินโคลนไปตลอดชีวิตก็ได้ถ้าเราถูกพระเจ้าออกแบบให้กินดินกินโคลนไปตลอดชีวิตกินดินกินโคลนเป็นอาหารเทา้าอาหารเที่ยงเป็นอาหารเย็นและในขณะเดียวกันพระเจ้าก็ออกแบบให้ทุกอย่างเป็นสีเทาไปหมดก็ได้แต่ถามว่าทําไมพระเจ้าไม่ทําครับเพราะ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งสีสันพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความหลากหลายอย่างน่ามหาัศจรรย์พระองค์ทรงเป็นเจ้าแห่งความชื่นชมยินดีที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาพอดีพอดีเลยครับเพียงพอให้กับมนุษย์ที่จะยนยนิยนยนคือได้เห็นนะครับยนินคือได้ยินได้ฟังเสียงนกเสียงน้ำตกเสียงธรรมชาติทั้งหลาย พี่น้องครับหากว่าเราสามารถเข้าไปอยู่ในเส้นเลือดได้เราจะได้ยินเสียงของน้ำตกหรือเลือดที่ไหลผ่านท่อเลือดหรือเส้นเลือดของเราเป็นเสียงที่น่ามหัศาจรรย์จริงๆครับพี่น้องครับจงมองดูรอบตัวของเราครับมีรสชาติสีสันหลากหลายไม่รู้จบทุกสิ่งนั้นมีความหลากหลายสวยงามทั้งสิ้น เราน่าจะขอบพระคุณพระเจ้านะครับเราเกิดมาอยู่ในโลกนี้ที่มีสีสันสวยงามมีความสุขมีความชื่นช ม, มนดีและพระองค์ได้บอกกับอาดัมเอวาบิดามารดาของเราว่าให้เราครอบครองให้เราทำงานรักษาเมนเทนซึ่งสภาพที่พระเจ้าได้สร้างไว้ตั้งแต่แรกแต่จะเป็นหน้าเสียดายครับเพราะความบาปเข้ามาและเราฟังเสียงของมารซาตาน ทำให้เราไม่สามารถที่จะเมนเทนหรือรักษาสิ่งที่พระเจ้าได้ให้กับเราได้พี่น้องครับมีวันหนึ่งครับในอนาคตสิ่งที่พระเจ้าสร้างที่ดีกว่านี้อีกจะเกิดขึ้นและเราจะสามารถรับได้โดยฐานะที่เราเป็นบุตรของพระองค์โดยฐานะที่เราเป็นผู้รับใช้ของพระองค์โดยฐานะที่เราเป็นผู้ที่อยู่ในแผ่นดินนั้นนั่นคือแผ่นดินสวรรค์ครับ พี่น้องครับนี่คือความหวังอันยิ่งใหญ่ของเราเราจะกลับมาที่พระวจนะพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งที่โมธีบทที่สี่ข้อที่สามหนึ่งที่โมธีบทที่สี่ข้อที่สามได้กล่าวว่าอาหารซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้ให้ผู้ที่เชื่อและรู้จักความจริงนั้นเราจะบริโภคด้วยใจขอบพระคุณครับด้วยความขอบพระคุณต้นหมายความว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมอาหารให้กับเราอย่างเหลือเฟือครับเพื่อให้เราสามารถ ขอบคุณพระเจ้าได้ถ้าเราตระหนักรู้และตระหนักถึงความรู้สึกที่เรามีเพื่อจะขอบคุณพระเจ้าซึ่งแตกต่างจากชาวโลกครับชาวโลกนั้นมักจะรับสิ่งของเหล่านี้โดยปราศ จ, จากการสานึกในพระคุณของพระองค์ถ้าเราดูต่อนะครับ1ธิโมธีบทที่4ข้อที่4เพระเาะฉะนั้นพระเจ้าได้บันทึกไว้ว่า ด้วยว่าสิ่งสา ร, ร er พ Belgian> ัดซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้างไว้นั้นเป็นของดีถ้าแม้บริโภคด้วยขอบพระคุณก็ไม่ห้ามสักสิ่งเดียวเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของที่ชําระไว้แล้วโดยพระวจนะของพระเจ้าและคําอริษฐานพี่น้องครับจากพระวจนะของพระเจ้าณตอนนี้นะครับผมอยากจะถามว่าอาหารเหล่านี้ได้รับการชําระโดยอะไรครับพี่น้องอาหารเหล่านี้ได้รับการชําระโดยอะไรครับโดยพระวจนะของพระเจ้า ซึ่งพระเจ้าตรัสไว้ชัดเจนครับและโดยอะไรครับโดยคําอธิษฐานก็คือบริโภคด้วยใจขอบพระคุณครับเพราะเจริญนั้นชําระอาหารคําอธิษฐานก็ชําระอาหารครับเพราะเจริญชำระอาหารเราก็ชําระอาหารนั้นด้วยเมื่อเราอาธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับอาหารนั้นอาหารไหนที่เพะนะราะเจอนุญาตให้กินนะครับแนะนําให้กินนั่นแหละครับคือ การรับการชำระแล้วโดยพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะอนุ ญ, ญาตให้เรากินได้ครับในขณะเดียวกันครับเราก็ชำระอาหารนั้นด้วยการอาธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสําหรับอาหารเพราะฉะนั้นทุกมื้อที่เราจะรับประทานอาหารนะครับขอบพระเจ้าชำระอาหารครับชำระอาหารด้วยพระวจนะของพระเจ้าเราอยู่ด้วยพระวจนะของพระเจ้าและเราอยู่ด้วยคําอธิษฐาน นั่นหมายความว่าอาหารที่เรากินนั้นทําให้เราอยู่ครับพี่น้องครับเราอยู่เพื่อกินหรือกินเพื่อยอยู่ครับคําตอบก็คือกินเพื่อที่เราจะอยู่ครับเรารับประทานอาหารด้วยจิตใจที่ขอบคุณพระเจ้าเรารับประทานอาหารโดยเราสํานึกในพระคุณความรักของพระเจ้าเรารับประทานอาหารโดยการที่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารของเราคําถามก็คือว่า เราขอบพระคุณพระเจ้าสำอางอาหารอย่างแท้จริงหรือเปล่าหรือเราแค่อธิษฐานพอเป็นพิธีหรือเราแค่แสดงออกมาภายนอกให้คนเห็นบ้างเรานั้นสํานึกและขอบพระคุณด้วยใจจริงหรือเปล่าครับหรือเราเห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นแหล่งที่มาของสรรพสิ่งของอาหารของจําเป็นทุกอย่างในชีวิตของเราอย่างแท้จริงจริ ง, รงๆหรือเปล่าครับผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสไข่ครวน ถึงสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้โดยพ่ะอย่างยิ่งอาหารครับโดยพระอย่างยิ่งเครื่องนุ่งห่มโดยพระอย่างยิ่งที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคครับพี่น้องครับคำว่าอาหารในคำอธิษฐานของเราหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่จําเป็นต่อเราทางกายภาพขอพระเจ้าจัดเตรียมอาหารให้กับพี่น้องทั้งหลาย รับประทานแล้วจะมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพฝ่ายจิตวิญญาณที่แข็งแรงสมบูรณ์อาเมน